ระธรรมเทศนาลำดับที่ส2องโดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าอดทนและอดออมนอบน้อมแด่ผู้มีคุณนั่งสบายๆนะนั่งสบายๆเดี๋ยวหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องสินให้แก่พวกเราคณะชาตาญาติโยมลูกหลาน ให้รู้จักคุณค่าให้รู้จักคุณค่าของสินให้รู้จักวิธีการรักษาศินสินมีประโยชน์อย่างไรมีคุณค่ายางไรอย่างวันนี้พอเข้ามาวัดจุดทูบเทียนไหว้พระเสร็จแล้วก็อาราธนาศินถือว่าเป็นวันวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งคือวัน จะถึงวันปีใหม่ไทยวันนี้เป็นวันที่11วันที่11เมษายนพุทธศักราช2554วันที่12วันที่13ก็เป็นวันปีใหม่ไทยเพราะนั้นวันนี้คณะทาญาติโยมมีท่านนายอำเภอนายูงของเราแล้ว อ, อบอจออำเภอนายูงแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการ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 หลวงพ่อจะได้นํากล่าวสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะทําความเข้าใจกับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเพราะลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังพอเกิดขึ้นมาแล้วก็พอรู้เดียงสาภาวะก็ส่งเข้าโรงเรียนอนุบาลปถมมัธยมต่อไปก็เรียนปริญญาตรีแโทรไปเรื่อยแล้วก็ทําการทํางานที่จะได้ไฟ ในการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีน้อยมากเพราะฉะนั้นพวกลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังเลยไม่รู้คุณค่าของศีลธรรมทําให้ห่างเหินศีลธรรมในเมื่อห่างเหินศีลธรรมแล้วถ้าผลออกมาส่วนรวมแล้วก็ไม่เป็นผลดีเพราะว่าคนเราเอาแต่ใจตัวเองมไม่ได้คิดถึงใจคนอื่นเขาคือไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง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 ถ้าหากว่าในที่มืดที่ลับที่ลับที่มืดคืออะไรก็คือถ้าเราไม่มีสกิบพยานไม่มีพยานเห็นตัวตนก็เอาโทษเขาไม่ได้เอาผิดเขาไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเขาหลบเลี่ยงกฎหมายดีก่อนที่เขาจะทำจะฆ่าจะแกล้งจะป้นจะลักจะขโมยเขากดวางแผนดีซะก่อนจนตํารวจเอาหลักฐานมาจับไมใชโทษเขาไม่ได้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 ถ้าเราไปคิดฆ่าเขาละ่ะถ้าเขามปคิดฆ่าเราเราจะมีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละคิดก็ผิดแล้วกายวาจีไอ้มนโนกรรมถ้าหากว่าไปทำไปทเขาเขา้าเรียกว่ากายยกรรมถ้าไปพูดคูยเขาตะกอนยังค่อยข้าเรียกว่าวาจีกรรมเพราะนั้นทั้งสามอย่างถึงใครไม่รู้หรือไม่รู้ก็าตามแต่ตัวเองรู้ว่าตัวเองคิดอะไรทาอะไรพูดอะไร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 ในที่สาธารณะก็ดีในที่รับที่แจ้งที่ไหนๆก็ร้อนทั้งหมดผิดทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะทาความผิดนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนคุ้มครองในที่รับในที่แจ้งแร้ว่าท่าในที่รับที่แจ้งในที่ไหนๆก็ตามถ้าทําความชั่วแล้วเป็นบาปเป็นกรรมทางนั้นไม่เลือกเว้นเหมือนกับไฟ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 ก็ไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดของศีลตามไม่จริงศีลธรรมเนี่ยมันอยู่กับตัวของพวกเราถ้าเราศึกษาดีแล้วก็ลงมือประพฤติธปฏิบัติก็เห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษในเรื่องของศีลอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำกล่าวว่านะโมนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เพียงแค่นี้พวกเราก็ยังไม่เข้าใจแล้วว่าทําไมจึงกล่าว น, า โ, มนาโมนโมนี่แปลว่าอะไรมีความหมายอะไรนโมนะ่ะนโมตัดสานี่คือความแปแลหรือความหมายในพระบาลีก็ว่ากข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละ คือเป็นผู้ประกาศพระศาสนาเป็นผู้บัญญัติศีลธรรมให้แก่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติอันนี้แหะคือพระพุทธทเจ้าเพราะนั้นก่อนที่เราจะรับศีลก็คือความคิดของพระองคออ์หรือว่าผลงานของพระองค์ที่ได้ไปค้นคว้าศึกษาแล้วนำมาบัญญัตินามาตั้งกฎเกณฑ์นามาแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทของพระองค์ให้เข้าใจว่าศีลธรรมเนี่ย หรือว่าคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่พระ อ, องค์ได้บัญญัติศีล ส, สมาธิปัญญามีมากมายในหลักของพระพุทธศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นศีลเป็นธรรมอยู่ในนั้นเสร็จมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นเสร็จในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นเพราะนั้นเวลาเราจะรับศีลห้าเนี่ยเราก็ต้องกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้า เป็นบรมครูต้นศาธาต้นต้นพระพุทธศาสนาก่อนจวัดนโมตัสตะปะคาวตัวอรหันตสัมมาสัมพุทธทัตตะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระภู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นกพุทธังทำมังสังขังสระนังคัดฉามิดูตียมปีพุทธังทำมังสังขังตาติยำปีพุทธังทำมังสังขังสระหังคัดฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่ง อันนพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าเป็นบรมครูเป็นศาสดาเป็นตนพระพุทธศาสนาพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติให้พวกเราได้ปฏิิปฏบัติมีมากมายพวกเราเห็นด้วยในพระธรรมวัะ น, นั้นเราจึงยึดพระธรรมเป็นสาระพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา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 ยึดพระสงฆ์ว่าเป็นพระคุณเป็นผู้มิปุญอย่างยิ่งกับเราจึงยึดพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง อ, อ, อันหนึ่งนันนั้นวันนั้นเรื่องยังว่าพุทธังทำมังสังขงังสารังกชามิจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศิลปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทถังสัมาติยามิข้าพราเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าเราไปฆ่าคนอื่นเขาเราก็ไม่มีความรู้สึกเพราะการกําลังฆานะบางทีก็ต้องการ บางทีโมโหโกธาโกรธแค้นให้แก่เขาแล้วก็ทําไปด้วยความไม่คิดไม่ยับยั้งทางจิตใจพอทําแล้วก็แล้วไปแต่ในใจก็บางทีก็หายโกรธลงไปบ้างแต่ทีนี้ถ้ามาคิดย้อนกลับมาอีกทีถ้าเขามาฆ่าเราล่ะเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาเราไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องวงศาระฆนาญาติเขาเขามาฆ่าเราล่ะฆ่าพ่อแม่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 พอในสุดก็เลยเป็นเวรเป็นภยัยไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้แหะคือศินข้อที่หนึ่งเพราะพระพุทธเจ้าเห็นโทษว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินว่าอย่าฆ่ากันเป็นธรรมมาธิปไต่รักษาพระพุทธเจ้าเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกวิญญาณแก่ทุกดวงใจแก่ทุกคนไม่ได้เลือกชาติชั้นวันนะให้ความเป็นธรรมอย่าฆ่ากันนะ ถ้าฆ่ากันแล้วไม่เป็นผลดีทําให้เดือดร้อนอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองอธินาธานาเวรมณีอย่าขโมยคนอื่นเขาถ้าเขาเราไปขโมยของเขาล่ะคําว่าขโมยคํานี้ไม่ใช่ขโมยของเล็ก ๆ, ๆนะ้อยๆนะอไม่ใช่ของ steroids. ขโมยรองเท้าขโมยสิ่งของนิดๆหน่อยๆอยจางว่าขโมยพ่อแม่ของเขาลูกล้านของเขาไปเรียกค่าไทยเขามาขโมยของเราพ่อแม่พี่น้องของเราไปเรียกค่าไทยอย่างนี้ เรามีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละถ้าหาขาโมยของกันมีรถลาวัวควายสิ่งของอะไรก็ตามถ้าของที่รักเรารักถงวนห่วงแหนถ้าเขามาขาโมยของเราเราก็เสียใจถ้าเราไปขโมยของเขาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการขาโมยกันเป็นเครื่องเป็นเครื่องเป็นเรื่องที่ไม่ดีทําให้มวลมนุษย์ที่อยู่ด้วยกัน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 เราอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุนโกหกหลอกลวงเข า, เาไปเขียนเช็คให้เขาบังหรือเสียงเช็คไม่มีเงินประกันอะไรลักษณะอย่างนั้นมีมากมายทุกวันในเรื่องโกหกต้มตุนหลอกลวงในยุคสมัยนี้สมัยโลกเจริญขึ้นมาความต้มตุนโกหกก็ยิ่งมากตามมาเพราะฉะนั้นถึงยังไงก็าตามเขาบ่าโกหกคานี้คือความไม่จริง เรื่องที่ไม่จริงหลอกลวงเขาต้มตุนเขาเอารัดเอาเปรียบเขาสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าคนที่ชอบโกหกอนั้นน่ะในชุมชนกลุ่มไหนก็ตามจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ลูกน้องโกหกนายนายโกหกลูกน้องต่างคนก็ต่างหาความไว้วังใจกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการโกหกกันไม่เป็นผลดีอสามีภรรยาสามีภรร โหกหภรรยาภรรยาโกหกสามีลูกโกหกพ่อแม่พ่อแม่โกหกลูกเออมันจะดีได้ที่ไหนเพราะการโกหกต้มตุน๋นตอกลวงกันมันยาวไปเรื่อยทิ่นนะอันนี้แหละคือศส้นข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชชะประมาณ ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่แหละข้อนี้แหละเป็นข้อที่หลวงพ่อเป็นห่วงเดือนนี่แหละวันสองสามวันที่จะถึงนี่แหละวันสงกรานของพวกเราเนี่ยแหละลูกหลาน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 ปูนนี่แล้วไม่น่าจะไปกินเหล้าเมายาออทำให้ลูกหลานเขามากราบมาไหว้มามดุดน้ำดำหัวไม่ไดเออ้เขาก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอีกเหมือนกันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีฮะถ้าวัฒนธรรมดีก็ต้องอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนแต่งจุดออให้ลูกหลานมากราบมาไหว้ให้ศีลให้พรแก่ลูกแก่หลานอันนั้นจึงวัฒนธรรมที่ดีถ้าาพวกเราผู้เฒ่าผู้แก่ไปกินเหล้าเมายา เสเพนะ่ะไม่ใช่วัฒนธรรมที่ดีนะหลวงพ่อว่านนะเพราะฉะนั้นเรื่องการดื่มสุราเป็นอันตรายอย่างมากต่อชุมชนสังคมใช่เมื่อเรากินเข้าไปก็ไม่ให้ไม่ให้เดือดร้อนกับใครก็ราปากของเราเรากินเองะแต่เมื่อกินดื่มไปแล้วเนี่ยทำให้มันเมาพอเมาเข้าไปแล้วจะนี่ขับรถชนคนอื่นขาดสติและทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะฉนั้นขอให้ขอฝากไว้กับขาา้าราชกาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ และก็พร้อมกันทุกวันนีเ้เรื่องยาบ่งยาบ้าคันชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้ก็ให้สำมรวมให้ระวังนะลูกหลานเราต้องคิดถึงใจเขาใจเราถ้าสมมุติว่าเราขายใช่เราได้เงินแต่ว่าคนอื่นไปติดยาเสพติดกับเราที่เราขายไปนั่นนะ่ะเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นลูกหลานของเราล่ะถ้าเป็นลูกหลานของเราติดยาเสพติดล่ะ เรามีความรู้สึกอย่างไรเราต้องคิดถึงใจเขาต้องคิดถึงใจเราเพราะอยู่ด้วยกันเราจะไปสอแสวงหาผลประโยชน์หาความสุขเฉพาะตัวเองแล้วให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะมันไม่ถูกนะเผลอๆนะกรรมวันนั้นล่ะมันจะวกเวียนมาหาตัวเองกรรมมุนินาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้เมื่อเราขายยาบ้ายามาคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนให้แก่เขาแต่นั่นล่ะต่อไปเขาจะมา ข้ามาปล้นมาจีมาลักมาขโมยสิ่งของของเราไปเรามีความรู้สึกอย่างไรเพราะโจรผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นผลไม่ดีนะคณนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานใครจะทําสิ่งไหนก็าตามต้องคิดให้ดีกรรมหมูนั้นบาปหมูนั้นมันจะไม่ไปไหนมันจะวกวนเวียนมาหาพวกเราผู้กระทำนั่นนะ่ะกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําไปแล้วมันจะให้ผลติดตามมาเพื่อเมื่อภายหลัง เพราะนั้นสิ่งห้าของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้กล่าวให้แก่คณะทายาิโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังนี่ก็เป็นแนวทางที่พวกลูกหลานทั้งหลายที่ไม่ได้สนใจเพราะเรียนหนังสือจบแล้วก็ไปทําการทํางานหางานหาการทํำแต่ไม่ได้ใฝ่ในการศึกษาในศีลธรรมเพราะนี้เพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาแล้วเป็นยังไงศีลธรรมของพระพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อได้กล่าวให้ฟังนี่มีคุณค่ามีประโยชน์นะคณะสตา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะเน แ, แล้วก็พระพุทธเจ้าท่านว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนระกสวรรค์มีอ่าท่านว่าอย่างนั้นนะเนี่เพราะฉหนั้นพวกเราอยากจะพิสูจน์ลึกลงไปอีกเพราะวิชาทุกแขนงต้องสืบต้องดูนะอ่ต้องสืบต้องดูเพราะอะไรเพราะมีการสืบเนื่องทั้งนั้นอในการเป็นอยู่ของพวกเราเพราะฉะนั้น พวกเรารู้คุณค่าของศีลและทำแล้วตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนานิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทาเยเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังสักเล็กน้อยยังค่อยส่งน้ำหรือมุดน้ำดำหัวตามไปเพนี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 มองไม่เห็นที่เราจะรวมกันได้มากถึงขนาดนี้วันนี้รู้สึกว่าศาลาข้างบนและข้างล่างขอเต็มไปด้วยคู่คนลูกหลานทั้งหมดถือว่าลูกหลานให้ความสำคัญในการทำพิธีมุดน้ำดำหัวครูบาจารย์พระฝ่ายพระสงฆ์เพราะนั้นหลวงพ่อในนามคณะสงฆ์พระสงฆ์ในท้องถิ่นของพวกเรา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 เราบอพ่อเออเอำเภอนายูงของพวกเรานี่ถ้าจะว่าไปแล้วรถร า, าป้ายแดงออกมาเป็นระยะระยะเพราะเหตุใดเพราะมั่นใจว่ายางพาราของพวกเรานี่ขายได้ดีแล้วก็ปลูกคนละเพียงพอสําหรับที่จะออกรถได้อายางก็ราคาแพงอีกต่างหากเข้าโพดก็ราคาแพงมันสําปหลังก็ราคาแพงพวกชาว อำเภอนายูน้ำโสมในทีน่นี้ดินก็ดีใช่ได้แล้วก็ลืมตาอ้าปากได้แต่พูดแบบอีกเดียแบบหนึ่งถ้าพูดอีกแบบถ้าไม่เวอร์เกินไปก็ว่าเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะในอำเภอสองสามอำเภอของพวกเราเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็เป็นห่วงเศรษฐีใหม่จุดนี้แหละคือพวกเราเได้เงินมาแบบง่ายๆไปกีดตอนเย็นตอนเช้ามาขายก็ยังได้ ได้เงินกิโลละเท่าไหร่อย่างขี้ยางอย่างเนี้ยกิโลทั้งเจ็ดสิบแปดสิบาทจะหาได้ที่ไหนเงินแปดเจ็ดสิบแปดสิบาทนั่นเทนี้ไม่ไม่ใช่แต่เงินกิโลสองกิโลเราขายเป็นร้อยเป็นพันกิโลอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่เพอเผอยังแข่งกับส่วนราชการได้อย่างสบายเพราะเหตุไหลไยเพราะว่าเราได้เงินมาแบบไม่ง่ายเพราะเราขายยางนี่แหละคําว่าได้ง่ายจุดนี้แหละ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 แต่ถ้าเราไม่รู้จักกักตุนในขณะที่น้ํากําลังขึ้นเนี่ยหลวงพ่อวิตกกังวลกับลูกหลานนะ เ, นเพราะฉะนั้นเวลาน้ําขึ้นเนี่ยพวกเราควรจะแบ่งเอาไว้ว่าขายยางคราวนี้ได้เงินเท่านี้ควรจะแบ่งไว้สักครึ่งหนึ่งฝากธนาคารเกรเรษตรตะกรของพวกเรานี่ยนะธนาคารเกษตรของเราก็อยู่กับบ้านอยู่แล้วอยู่ที่นายูงอยู่แล้ว เ, เราไปฝากที่ไหนก็ได้ออมสินก็ได้ไปฝาก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 ถ้าพวกเราไม่รู้จักเก็บนะได้มามือซ้ายทะลุมือขวาเออแบ่งกันไปเรื่อยแบ่งใช้ไปเรื่อยใช้ให้หมดมันก็หมดเรื่องเงินนะเพราะเหตุไรเพราะว่าเราใช้อีรุยชุยแชก์ไม่รู้จักเก็บนี่แหละบางคนยังรับพอได้เงินมาแล้วนู่นไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์มาเลี้ยงกันอีกต่างหากตบไยโลกอะไรอีกต่างหากผลที่สุดออความจิบหายก็พยายามคืบคานเข้ามาเรื่อยเป็นหนี้เป็นสินผลที่สุด สวนยางที่กลียดอยู่ก็ไม่เป็นตัวของตัวเพราะเป็นนี่เป็นศีลพลุงพลังเพราะฉะนั้นก็ต้องขายให้นายทุนไปอกีกนายทุนก็มาซื้อไปขายอีกตัวเองก็เป็นคนกรีดยางอีกต่ําต้อยลงไปอีกอย่างเก่านี่แหละขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถา้าพวกเราลูกหลานทั้งหลายไม่เป็นตัวของตัวไม่เข้มแข็งไม่รักษาสถานะของตนเองเอาไว้ให้ดี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 ฝากไว้ในธนาคารลูกหลานของเราไปเรียนหนังสือส่งไปเรียนหนังสือปริญญาตรีโทเอกผลที่สุดพวกเราก็มีลูกมีหลาน ม, มีคุณภาพมีศักยภาพในชุมชนในสังคมของพวกเราแต่ไม่ใช่ว่าได้มาเลยเอามาเลี้ยงซื้อเรามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลียเ้ยงคันชายาวยฝิ่นเฮโรอีนหมกมุ่นไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีในชุมชนสังคมของพวกเราอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะลูกหลานคกนัทธาญาทโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ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 อารมณ์โกรธโมโหโกรธาไม่ใช่นะพ่อหลวงพ่อไม่สอนให้โกรธไม่มีเหตุไม่มีผลก็ไม่ดีนะต้องให้จิตใจมั่นคงต้องคิดให้ดีว่าหลวงพ่อพูดไปเนี่ยเอานาไปคิดนําไปพิจารณาใ่ตรองในสิ่ลูกหลานเพอาะเหตุพราะเหตุเออใช่เข้าไปเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเออใช่ไม่เป็นก็ดีแล้วแต่คนอื่นที่มันเป็นล่อแหล่อ ย, อยู่นั่นนะ่ะก็มีอยู่ เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านกล่าวเตือนซึ่งกันและกัน ถ้าพวกเรามีหลักมีฐานมั่นคงดีแล้วนั่นแหละเทนี้ประเทศชาติของเราก็อยู่เย็นเป็นสุขอําเภอนายูงของเราก็เป็นอําเภอที่แตก่กอนเป็นอําเภอสุดท้ายปลายแดนที่ไม่มีใครอยากจะมาดูมาแลแต่บัด น, นี้ต่อไปภายภาคหนา้าถ้ายางเป็นอย่างนี้นะอําเภอนายุงของพวกเราเนี่ยจะเป็นสงาราศีขึ้นมาเห็นได้ชัดละเงินหมุนเวียนสะพัดในอําเภอนายูงน้ำโสมเนี่ย ออาทิตย์หนึ่งเป็นหลายร้อยหลายหลายล้านทีเดียวแหละเงอเมื่อคนมีเงินสะพัดอย่างนั้นแล้วเนี่ยเอเขาใครจะมองข้ามไม่ได้ทีนี้พวกเรามีเงินแต่รู้จักเก็บกับกตุนไว้ไหมนในจุดนี้หละ่ะท่านเราไม่รู้จักเก็บกับกตุนเอาไว้พวกเราจะต่อไปก็อย่างที่ว่านะาจะเป็นคนกรีดยางให้แก่พ่อค้านายทุนต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะ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 ไปไ้แต่มันไหลออกยิ่งเร็วเลยเออแล้วก็หมดเอาแล้วก็หมดเอาพอมาถิงเอามันไปยังไงก็สืบสอบดูแล้วเออไอ้นี้มันติดเล่าติดการพนันไม่ได้นะอย่าทำนะอย่ามาขออีกนะถ้ามาขออีกไม่ได้นะคราวหน้านะเอเราจะใช้มาตรการเด็ดขาดนะอไอ้ไอ้พี่นี่ก็บอกกับลูกพี่ลูกน้องกันเหมืนนอนกันผลไม่สุดมันก็มาอีกอย่างเก่าเพราะมันมีไม่มีทางไปพอมาคราวนี้ อาณาถาม่ดีกัดเอาคือคาใส่คอเข้าไปแล้วงั้นสมัยนั้นเขาไม่มีเขาไม่มีโซ่ตวลอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมเขาก็มีไม้ล็อกคอดึงลากออกไปจากบ้านของเขาเลยเขาไม่ได้เก่งใจระบัดเพราะมันเป็นไม่ดีทําให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเสียตระกูลอีกต่างหากไปนี้อย่าเข้ามานะถ้าเขามาบัดข่าวหน้านี่โดนไม้เลียวหวดหลังเหมือนกันจากนั้นก็เข็ดเลยแต่ถึงจะทุกข์จนยังไงก็เข้ามาหา บ้านพี่บ้านพี่พี่ไม่ได้เท่นี้ไปอยู่ไปจากนั้นอนานาถาม่ดีกับเสียถีก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าตอนบ่ายเออเขบอกว่ามหาไอเสียถีไปยังไงมาไงาวันนี้มาตอนบ่ายโอ้ข้าพระองค์ได้จัดการกับพวกหลานที่เป็นตระกูลเดียวกันนี่ยหละแบ่งทรัพย์สมบัติให้พ่อเขาแล้วก็ามาหลานของเขาก็น่าจะตั้งตนตั้งตัวได้กลับมาเป็น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 แต่นี่เขาเอาเอาไปใช้อย่างไงก็าไม่รู้ เ, เสียหายปนปี้ไปหมดข้าพระองค์เลยอดทนทนไม่ไหวเพราะมันหลายครั้งต่ลายหนก็เลยใส่คือข้าวลากออกจากบ้านไปเมื่อกี้เนี่ยก็เลยมากราบพระพุทธองค์นี่แหละพระพุทธองค์บอกว่าโอ้เด็กคนนี้มันเคยมาแล้วในอดีตชาติพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันเคยมาแล้วมันเป็นมาแล้วในอดีตชาติสมัยไหนพระเจ้าขาพระพุทธองค์บอกว่า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 ท่านมีน้ำใจท่านเขาว่าท่านเป็นเศรษฐีเข้ามาถึงกลางเมืองแล้วออกหากินไม่ได้เอาเลี้ยงในเมืองอีกท่านลุกแรกก็คือมีท่านมีอยู่ห้าหโรงหกโรงทานนะไท่านตั้งไว้หโรงทานแต่นี้พออายุท่านก็มากขึ้นมากขึ้นทรัพย์สมบัติก็มีเยอะพรนัท่านก็เลยตายพอตายท่านก็ไปสู่สวรรค์เป็นพระอินทนเออขึ้นไปอยู่สวรรค์ได้เป็นพระอิน พอจิตใจของท่านกว้างขวางนีพระอินทร์ผู้ที่จะเป็นพระอินทร์ได้เนี่ยต้องจิตใจกว้างขวางมีน้ําจิตน้ําใจเผือแพ่ให้แก่ปวงประชามีเมตตากับทุกคนช่วยเหลื อ, อสงเคราะห์ อ, อะไรใครได้ก็สงเคราะห์ไปอันนี้เนี่ยคือนิสัยของผู้ใหญ่ท่านก็เกิดเป็นพระอินทร์ตอนี้ลูกชายของท่านน่ยสืบทอดพ่อใช่ไหมพอสืบทอดไปพ่อไปมาก็ใช้เงินใช้เงินก็ปิดลงทาน ปิดตรงนั้นปิดลรงนี้เอาไปมาปิดหมดพอปิดหมดท่านก็เอาละท่านตั้งวงกันเล่นการพนันเล่นการพนันกินเหล้าท่านพอกินเหล้าเข้าไปมันขาดจิตใมันเสียหายหมดเลยท่นี่ทรัพย์สมบัติของพ่อที่หามาไวใ้ในคงในคลังเกลี้ยงหมดเลยทนี้เอ่พระ อ, อินก็บอยู่ชั้นสวัรด์ใช่ไหมมองลงมามาเห็นลูกชายโอ้ลูกของเราเนาะ เราก็รักเหมือนหัวแก้วหัวแหวนสมัยเรายังอยู่ในเมืองมนุษย์แต่บัด น, นี้เขายังไม่ตายเขาก็ทุกยากถึงขนาดนี้ถ้าเราไม่ลงไม่ลงไม่ดูไม่แลเขาเนี่ยเราก็ขาดเมตตาอย่างมากเพราะนั้นเราคนคงลงจะลงไปช่วยเขาให้เขาซ้ำนึกได้เพราะเดี๋ยวนี้เขาเนี่ยตกทุกข์ได้ยากแล้วใล้ใกล้ ไ, ไปอาศัยบ้านคนอื่นเป็นอาศัยชายคาคนอื่นหาอยู่หากินแล้ว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 สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทางหายนะนทางจีบหายนะลูกนะให้หยุดนะแต่นี้ต่อไปพ่อจะให้หม้อใบหนึ่งหม้อใบนี้นะเป็นหม้อสัดแก้วสารพัดนึกเป็นหม้อสารพัดนึกถ้าลูกอยากจะได้เงินก็ให้ล้วงมือเข้าไปในหม้อนี้อยากจะได้เงินเท่าไหร่แล้วก็เอามาเลี้ยงชีพนะลูกนะให้เลี้ยงชีพได้นี่พ่อให้หมอลูกหนึ่งแก่ลูก ให้ลูกต้องการแล้วก็ล้วงมือเข้าไปแล้วก็ซื้อเอาหงซื้ออาหารอยากจะทํามาค้าขายอะไรก็เอาเ อ, าเอาได้เลยพ่อให้ประธานหม้อให้ใบหนึ่งจากนั้นพระอินทร์กัมบมอบหม้อให้ใบหนึ่งพ่อมอบหม้อให้เสร็จแล้วก็พระอินทร์ก็กลับสวงสวงสวรรค์ไปอยู่สวงสวรรค์ไอ้ไอ้หนุ่มคนนั้นกับพอได้หม้อไปนั่นก็นล่วงมือเข้าไปโอ้ที่แรกก็เป็นคนดีเพราะตัวเองถูกทุกตกทุ ก, ก, กได้ยากมา ก, ก่อนแล้วตั้งตนเป็นคนดีทีเดียวเท่านั้นแต่ ไม่แตะสุราไม่ดื่มเหล้าไม่อะไรทั้งหมดก็ก็รู้สึกว่างอกเกยขึ้นมาเรื่อยๆเอ ย, เอยทาํามาค้าขายพอขึ้นมาในระดับหนึ่งลืมตัวเอกทีนี่นี่แหละคนมันเป็นอย่างงั้นนิสัยชั้นดอนชันดานมาอยู่ในใจเนี่ยลืมตัวเอกเนี่ยพอลืมตัวทีนี่ก็กินเหล้าเข้าไปพอกินเหล้าเข้าไปก็คิดสนุกนยโยนหม้อขึ้นโยนหมอ้มอเล่นเห็นแล้วใช่ไหมไม่มีอันจะโยนเพาะงั้นแต่โยนไปโยนมาหมา้อก็พลัดมือตกแตกโต๊บบาดนี่ แมหม้อแตกแล้วพวกเราคิดว่าอย่างไงทีนพอหม้อแตกทีนี้ลูกเศรษฐีมดท่าทีนี้จะหาเงินที่ไหนได้พระอินทร์อยู่บนสวรรค์ท่านก็มองเห็นอีกโอ้ไอน้คนชั่วนี่ถึงจะเลี้ยงอย่างไรมันก็เลี้ยงไม่ขึ้นถึงจะชุบอย่างไงมันก็ชุบไม่ขึ้นถึงจะแนะนำอย่างไรมันก็แนะนำไม่ขึ้นเพราะความชั่วมันมาจากสันดานสันดอนของมันเอาเถอะปล่อยตามกรรมของมันเถอะ กรรมโมนีนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่มันได้กระทํามาในอดีตชาติอย่างไงก็ให้มันใช้กรรมไปเถอะเราจะไปช่วยได้ขนาดไหนเราช่วยได้ขนาดนั้นแล้วเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือชาดกที่ท่านยกขึ้นมาในครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนลูกหลานทุกคนนะฟังไวนะ้นะนิทานเป็นกระจกเงาเป็นเครื่องนําทานําพาชีวิตของพวกเรา ถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติดีแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่าทําตัวไม่ดีแล้วพระอินทร์ก็ช่วยไม่ได้พูดง่ายๆพระอินทร์ก็ช่วยไม่ได้ผู้พ่อเนี่ยรักแสนรักรักลูกนะก็ยังช่วยไม่ได้เพราะเหตุไเพราะช่วยคนชั่วนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านสิ่งไหนที่มันชัว่วอย่าทําทําแต่สิ่งที่ดีนะถ้าเมื่อทําสิ่งที่ดีแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะลูกหลานทุกคูทก่ทุกคนขอฝากไว้และก็พร้อมกันวัน ตอนนี้ไปก็เป็นวันสงกรานต์ก็ให้ให้รู้จักมากราบบุญคุณของพ่อของแม่พ่อแม่ของเรายัางมีชีวิตอยู่ก็ถือขันคาระวะไปหรือว่าไปมุดน้ำดำหัวถือขันน้ำไปไปสงไปลดพ่อแม่จากนั้นก็นำเงินที่เราได้มาถึงจะมากหรือน้อยก็ไปใส่มือของท่านลูกๆห ล, ลา ย, ลา ย, ลายคนคนละ ร0 0ยสอคนละพันคนละหมื่นก็ว่ากันไปเพื่อให้พ่อแม่ของเราได้ใช้นี่แหละอันนี้แหละคือทดแทนพระคุณพ่อแม่เป็นบุพการีบุบุคคลผู้มีอุปการะก่อนท่านได้เลี้ยงดูเรามาพวกเราก็ควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีตาเพราะฉะนั้นการที่ไปดูแลพ่อแม่ไม่ใช่ของเล็กน้อยนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเราควรจะพาลูกพาหลานของเราเข้าไปกะไปคารวะหู้ย่าตายายของพวกเรา ในเมื่อเราเป็นปู่ย่าตายายลูกหลานของเราจะเข้ามากาบคารวะเราเหมือนกับเราพาไปกาบคารวะพ่อแม่ของเรานั่นแหละอแต่นี้กับเมื่อเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ขึ้นมาลูกหลานาก็มากามาไหว้มาคารวะพวกเราก็ให้ศีลให้พรเมื่อเราทําดีแล้วความดีก็จะไหลเข้ามาหาเราเออยากจะให้ลูกหลานดีต้องทําดีให้ลูกหลานดูเออยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทําดีให้ลูกศิษย์ดู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 รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักสูงรู้จักรู้จักคุณพักคุณของพ่อแม่ปูย่ย่าตายายให้รู้จักวัยวุฒิคุณนวุฒิถ้าเราทําได้ขนาดนี้แหละเป็นคนดีนะจากนั้นก็เออเอาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติหาหนทางใส่ตัวเองหาบุญหากุศลในตัวเองเราเป็นคารวะเราก็สแสวงหาทรัพย์ทรัพย์คืออะไรคือปัจจัยสี่หาเงินขึ้นมากับเพื่อซื้อผ้านุ่งห่ม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 นู่นไปกราบไปไหว้ไปอขอไปดูหมอดูหมอเดาเไปไหว้ภาะภูมิเจ้าที่เขาแนะนําไปอะไรไปมดเพรเห็นอะไรพอากลัวตายเแล้วลึกถึงคุณงามความดีของตัวเองก็ไม่มีอีกต่างหากทึ่พอเราไม่ได้ไม่เคยคิดจะทําบุญไม่คิดว่าตัวเองจะตายอแต่ทุกคนไม่หนีไม่พ้นนะเพราะนั้นขอให้พวกเราคิด สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าคนมีจิตใจเป็นหลักแล้วมีบุญมีกุศลในใจแล้วจิตใจมีหลักแล้วใครจะพูดแนะนําอย่างไรเ อ, อ่ยเกิดมาแล้วก็ต้องตายเ อ, อบุญกุศลขาก็ได้ทําไว้แล้วก็จะทํำยังไงได้อายุถึงหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็มาแล้วไม่ตายจะทํำยังไงเอาเถอะถึงข่าวแล้วก็ต้องตายเหมือนกับคนทั้งหลายนะั่นแหะเขาตายไปก่อนแล้วเราก็จะต้องตายไปตามเขาจะทํำยังไงได้แต่บุญกุศลขาดไปทา ไ, ทไว้แล้วไม่แพ้ใคร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 อสบายอยู่ทางโลกมีปัจจัยสีก็สบายทางธรรมะระลึกถึงคุณงามความดีในใจก็สบายสบายทั้งกายสบายทั้งใจเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะรัตรายาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านนะนะที่มาในวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดมากลากหลายขอให้พวกเรานําไปคิดนําไปพิจารณาไต่ตรองเหตุและผลตามที่หลวงพ่อได้กล่าวการพูดและการกล่าวสมโภชนิยกถาในวันนี้